คือหนึ่งพระอระหันย่อมอนุเคราะห์เขาก่อน 2. ย่อมเข้าไปหาเขาก่อน 3. ย่อมรับทานของเขากรอน 4. ย่อมแสดงธรรมแก่เขาก่อน5้าเขาย่อมมีกิตติศัพท์อันดีงามฟุ้งไป 6. เขาย่อมองอาจไม่เก้อเขินเข้าสู่ชุมนุมชน7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 คือถือตัวเข้าสู่สกุลไม่ให้กล่าวถ้อยคำก่อการทะเลาะวิวาทไม่กวนคลุกคลีดึกยคฤหัสบันพชิตแต่กวนคลุกคลีด้วยเสนาสนะอันสงัดแล้วตรัสตอบปัญหาที่ว่าภิกษุชื่อว่าหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาอยู่จบรมจ a j ร์ล่วงส่วนด้วยเหตุคือเมื่อภิกษุได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่กวรยึดถือ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 ในวิวัตลโลกคือโลกเจริญทรงเกิดในพรหมวิมานอันว่างเป็นเท้ามหาพรหมทรงเคยเกิดเป็นเท้าสักกะ36ครั้งเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมหลายร้อยครั้งตรัสแสดงภริยาเจ็ประเภทคือภริยาเสมอด้วยผู้ฆ่าเสมอด้วยโจรเสมอด้วยนาย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 ถูกความโกรธครอบงำแม้จะอาบน้ําลูบไล้ตัดผมโกนหนวดนุ่งผ้าขาวผิวพันก็สาม 2. สศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรูให้นอนเป็นทุกข์คนมากโกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำแม้จะนอนบนบันลังมีเครื่องประดับงดงามก็นอนเป็นทุกข์ 3. ศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรู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 ต่อจากนั้นตรัสเล่าเรื่องสัสดาชื่อสุเนตตาผู้สอนสาวกให้ไปเกิดในพรหมโลกลงมาจนถึงเกิดในค ร, รืหะบดีมหาศาลในโลกนี้แล้วตรัสเล่าถึงสุเนตตาสัสดาเจริญเมตตาจิตเจ็ดปีได้ผลอย่างที่ตรัสเล่าไว้ในวรรคที่หนึ่งก่อนวรรคนี้แต่ก็ไม่พ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นไป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 หรือประชุมชนและเจ็ดรู้บุคคลที่ยิ่งหย่อนกว่ากันตรัสเปรียบเทียบเรื่องการออกบวชของอริยาสาวกจนถึงได้ฌานและได้เป็นพระขีนาศด้วยความเปลี่ยนแปลงของต้นปาริชาตตกะกบในชั้นดาวดึงจนถึงมีดอกเบ่งบานในที่สุดตรัสรับรองภาษิทธิ์ของพระสารีบุตร